สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สี่ร้อยสองเรื่องการล้างเทา้าพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสามข้อที่สามจนถึงข้อที่สิบเอ็ดโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าพระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้าพรงชงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดถัองพระองค์ออกวางไว้และเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วก็ทรงเทน้ําลงในอ่างและทรงเอาน้ําล้างเท้าของพวกสาวกแต่เช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้นพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโต้และเปโต้ทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือ เปเยชูตรัสตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทําในขณะนี้ท่านยังไม่รู้เรื่องแต่ภายหลังท่านจะเข้าใจเปโตรทุนพระองค์ว่าพระงจะทรงล้างเท้าของข้าพระองไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซิเมอนเปเตอรทุนพระองค์ว่าพระงเจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองเท่านั้นขอทรงโปรดล้าง ทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ที่อาบน้ำแล้วไม่จำเป็นต้องชาระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้วพวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้แค่นั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนเพื่น้องครับการล้างเท้าของสาวกนี้ใน บางกลุ่มถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันครับก็เรียกว่าเป็นพิธีล้างเท้าพิธีล้างเท้านี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ศีรษพิบาลครับจะล้างเท้าให้ผู้ปกครองมัครนายกคณะธรรมกิจและผู้นําคริสจักรทั้งหลายก็จะล้างเท้าให้สมาชิกตั้งแต่สมาชิกที่อาวุโสที่สุดจนกระทั่งถึงสมาชิกที่เด็กที่สุดในคณ้นเรียกการ ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ในตําแหน่งสูงที่สุดจนกระทั่งถึงสมาชิกที่ต่ําต้อยที่สุดบางคณะนิกายถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องทําพี่น้องครับในกลุ่มรีฟอร์มของเราหรือว่าในกลุ่มปฏิรูปเนี่ยครับที่ชาวบ้านเรียกว่าโปรเตสแตนต์เรามีสองเซ็กเมนต์ก็คือสองพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับพิธีศักดิ์สิทธิ์แรกก็คือพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์และพิธีที่สองก็คือพิธี มหาชนิดศักดิ์สิทธิ์ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับในบางนิกายก็ถือว่ามีพิธีศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีที่สามก็คือพิธีล้างเทา้าเมื่อเราทราบบริบทต่างๆเหล่านี้นะครับเรากลับมาดูครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์การล้างเท้าของพระเยซูที่พระงทรงล้างเท้าสาวกของพระองค์นั้นเกิดขึ้นที่อัปเปอรูมครับก็คือในห้องชั้นบน ก่อนเทศกาลปัสกาก่อนที่เขาจะกินปัสกาด้วยกันเวลาที่คนเดินทางในสมัยศตวรรษที่หนึ่งพวกเขานั้นสวมรองเท้าแตะของเท้าแตะของเขานั้นก็ทํามาจากหนังสัตว์เป็นรองเท้าเขาเรียกแซนโดนะครับแซนโดก็คือเป็นรองเท้าสารรองเท้าแตะที่เท้าเวลาเดินอยู่ในทะเลทรายนั้นหรืออยู่ในกลางถนน ก็จึงเปื้อนฝุ่นครับเป็นประเพณีของชาวยิวในสมัยโบราณเวลาที่เขาจะเข้าไปในบ้านของใครคนที่เป็นคนใช้นะครับคนใช้ที่ต่ําต้อยที่สุดก็จะต้องรับหน้าที่ล้างเท้าให้กับแขกหรือล้างเทา้ากับเจ้าของบ้านเพิ่งพีได้บรรยายว่าเมื่อพวกเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเพิ่งพีเขียนว่าพระเยซูได้รู้ว่า พระเจ้าพระบิดาประทานสิ่งทั้งปวงให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและจะไปหาพระเจ้าแล้วพรงทรงทราบ พ, พระองค์กําลังทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้พวกเขานั้นได้เข้าใจถ้าเราไปดูในพระธรรมลูกาบาที่ยี่สิบสองข้อยี่สิบสี่ได้บรรยายไว้ว่าในขณะนั้นพวกสาวกกําลังถกเถียงกันครับว่าในท่ามกลางพวกเขานั้นใครจะเป็นใหญ่ ใครจะอยู่ในตำแหน่งไหนใครจะรับผิดชอบอะไรใครจะมีอำนาจใครจะเป็นใหญ่หมายความว่าใครจะอยู่เหนือกว่าใครพระเยซูก็ได้ทำ p า r a b l e a อ t อีกครั้งหนึ่งก็คือการกระทำที่เป็นคล้ายๆกับคำอุปมาเพื่อที่จะสอนพวกเขาและการกระทำนี้จึงเป็นที่มาของการล้างเท้าให้กับพวกเขา เป็นองครับพระกมพี บ, บ, บญญรรยายว่าพระเยซูนั้นทรงลุกขึ้นจากการรับประทานอาหารทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้ทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์แล้วก็ทรงเทน้ําลงในอ่างเอาน้ําล้างเท้าของพวกเขาเช็ดเช็ดเช็ดด้วยผ้าคาดเอวพี่น้องครับเมื่อามาถึงซีโมนเปโตซีโมนเปโตชุนพระองค์ว่าพรองค์เจ้าข้าพระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์หรือ เปเยซูตัดตอบเขาว่าสิ่งที่เรากระทาในขณะนี้ท่านยังไม่เข้าใจแต่ภายหลังท่านก็จะเข้าใจเปโตทูลพระองค์ด้วยความจริงใจนะครับคมบีบันทึกว่าเขาพูดว่าพระองค์ทชงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้เะเยซูตัดตอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้พระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าเราไม่ได้ล้างเท้านะครับเปเยซูกําลังพูดเฉพาะแค่เพียงที่ว่าถ้าเราไม่ล้างท่าน พี่น้องครับจากตรงนี้เองทำให้เรารู้ว่าพระเยซูกำลังหมายถึงอะไรพระเยซูกำลังหมายถึงการชาระให้บริสุทธิ์คือการล้างด้วยพระโลหิตของพระเยซู <c oughs> ถ้าเราไม่ล้างให้ท่านหมายความว่าท่านไม่ได้รับการชาระให้พ้นจากความผิดความบาปพี่น้องครับคำพูดที่ว่าถ้าล้างแล้วก็ไม่ต้องล้างอีกมีความหมายถึง สามสี่ประการต่อไปนี้ครับความหมายแรกก็คือไม่ต้องรีแบ็ไทท์ก็คือไม่ต้องรับพิธีบัพติสมาอีกครั้งหนึ่งมีความหมายว่าเมื่อใครก็ตามที่รับบัพติสมาแล้วก็ไม่ต้องไปรับอีกเมื่อเปลี่ยนโบสถ์ย้ายโบสถ์เปลี่ยนสังกัดย้ายสังกัด นี่คือประการแรกครับประการที่สองก็คือมีความหมายว่าล้างแล้วไม่ต้องล้งอีกคือการรอดแล้ว <c oughs> ก็รอดเลยครับเมื่อใครคนหนึ่งคนใดไ ด, ได้รับความรอดแล้ว <c oughs> เขาจะรอดตลอดไปความหมายประการที่สามก็คือล้างแล้วนะครับล้างแล้วไม่ต้องล้างอีกก็คือใครก็ตามที่ชำระกายแล้วผู้ที่อาบน้ําแล้ว ไม่จําเป็นต้องล้างหรือชำระ ก, กายอีกนั่นหมายความว่าคนหรือใครก็ตามที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในองค์พระเยซูเขานั้นถูกขนานนามให้เป็นผู้ชอบธรรมเขาถูกขนานนามให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วเพราะฉะนั้นในมีความหมายว่าชำระตัวแล้วนะครับหรืออาบน้ําแล้วก็ไม่ต้องอาบน้าอีก ความหมายล้างแต่เท้าเท่านั้นก็คือกระบวนการการชําระให้บริสุทธิ์หมายความว่าบาปเล็กๆน้อยๆที่เราทําในแต่ละวันแต่ละวันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความถึงการล้างเท้าล้างแต่เท้าเท่านั้นพระเยซูพูดนะครับบอกว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชํ า, าระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนมีความหมายสีทท่ประการครับผมทบทวนนะครับประการแรกก็คือไม่ต้องปรีดัตไทส์หรือไม่ต้องรับพิธีบัพติศมาประการที่สองก็คือลอดแล้วลอดตลอดไปลอดเลยประการที่สามก็คือเราด้วยความเชื่อเรารับการขนานนาให้เป็นผู้ชอบธรรม และประการสุดท้ายก็คือคําว่าล้างแต่เท้าเท่านั้นก็คือการรับการชำระให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการหลังจากการรับเชื้อป่าจาวเพื่องครับความหมายนี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากหลายท่านอ่านแล้วอาจจะงงๆไม่เข้าใจจําเป็นที่จะต้องรับการอธิบายชัดเจนในวันนี้เพี่นอนครับบทเรียนของการล้างเท้าในวันพรุ่งนี้ผมจะได้มีโอกาสพูดอีกครั้งหนึ่ง ขอพเจ้าอุวยพรที่น้องที่ทุกท่านที่จะรู้ว่าเราอยู่ในกระบวนการการล้างเท้าครับหมายความว่าเราอยู่ในกระบวนการการรับการชำระให้บริสุทธิ์เราผ่านกระบวนการยัคติฟิเคชันบายเฟสแล้วครับก็คือการถูกนับว่าหรือการถูกขนานนามว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อเรียบร้อยแล้วและความรอดที่เรามีอยู่นั้นเป็นความรอดที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงเราไปจาก พระเจ้าได้รอดแล้วรอดเลยรอดตลอดไปและไม่ว่าเราจะย้ายสังกัดย้ายทิ่จักเราไม่ต้องรีแบฟไทด์อีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอวยพ ร, พ, รพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน